หลวงปู่ได้เราถึงประสบการณ์ในพรรษาแรกเมื่อครั้งเป็นหลุงพี่หนุ่มให้ฟังว่ามีอยู่วันหนึ่งฝนต้นฤดูหนาวตกลงมาอย่างหนักชาวบ้านร้านตลาดออกมารองน้ำและเล่นน้ำฝนกันเกิดฟ้าผ่ากลิ้งลงมาที่ท่อรองน้ำเป็นผลให้มีคนตายสองถึงสามคนเขาก็เอาศพมาฝังที่ป่าช้า อย่างกระทันหันพอฝังไปได้สามถึงสี่วันท่านพระอาจารย์สิงห์ก็ออกอุบายพาพระเนรไปขุดศพขึ้นมาหลวงปู่ศิมแล้วด้วยสิงกลัวหัวเราะขุดขึ้นมาใส่กองไปเขียวอือ้อเลหล่ะเขียวเหมือนเทาสภาพศพกำลังเนา่าหนังตอนนั้นยังเหนียวอยู่ยังไม่แตกหลวงปู่ลำดับภาพประทับใจ จนผู้ฟังมองเห็นภาพพจน์เหม็นไม่ต้องบอกหลักเต็มจมูกทุกองค์ได้อุภาะกันหมดถ้าได้สักศกเอามาเผาที่่้ำผาปล่องเนน้อยน่ากลัวจะไม่ยอมอยู่หลักนี่แหละคือร่างกายลวงปู่พูดเหนื่อยเนื่อยอย่างโปร่งตกแล้วโดยชื่นเชิงบางคราวบางสมัยก็ต้องดม ครูบาอาจารย์เพิ่นธรรมเราจะหลบไปทางอื่นก็ไม่ได้ก็ต้องโดนไปด้วยกันอีกตอนหนึ่งที่หลวงปู่เล่าประสบการณ์ที่ท่านได้อสุภกรรมฐานจากซากศพศพที่เก็บไว้สี่ถึงห้าวันก่อนจะเผานั้นถ้าสมมะนักบวชเรายังไม่เคยเห็นก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ผู้ที่เคยดูศพอย่างนั้นมาแล้วจะนึกได้ว่า พอเปิดฝาโลงเท่านั้นแหละจะเป็นน้ำท่วมขึ้นมาตั้งครึ่งโลงมแมลงวันไม่รู้มาจากไหนไม่ต้องมีใครไปเช้อเชอิญหลักมาจับสบงจีวรเต็มไปหมดเวลาไปชักบังจะกุนเสร็จดมซากศพเสียก็รู้ว่ากี่ลมหายใจอันกลิ่นเหม็อนอสุภะของน้ำเลือดน้ำหนองคนเหล่านั้นมันไม่เหมือนเนื้อสัตว์อย่างอื่นมันเหม็น หลวงปู่เว้นระยะนิดหนึ่งอย่างไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรดีเหม็นเหมือนแบบไม่ชอบนะคือร่างกายมนุษย์คนเรามันจะดูจะชอบกันมันดูดกันได้ดูดเอากลิ่นเหม็นเข้ามาอยู่ในคนที่ไม่เหม็นเลยเหม็นไปด้วยกันนี่แหละร่างกายนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงทรงสอนให้กำหนด เป็นอสุภกรรมฐานอย่าไปเห็นว่ารูปไม่ว่ารูปหญิงรูปชายให้เข้าใจว่าเป็นอันเดียวกันไม่มีใครสวยใครงามกว่ากันสมมุติโลกว่าสวยว่างามสมมุติธรรมมันไม่มีสวยงามอาสุภังบรณ่ ง, งั้นถึงมันจะยังไม่ตายตอนเด็กตอนหน่มก็เถอะไม่นานละเดี๋ยวมันก็ทยอยตายกันไปทีละคน สองคนหมดไปสิ้นไปไม่เหลือโฆกสาณิกังค่ไปเยี่ยมป่าชา้าไปนอนป่าชา้าเป็นทุดดวงขวัตข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นอุบายภาวนาผู้ภาวนาในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะผู้บวชเรียมแล้วให้เอาใจออกห่างจากอารมณ์ ที่ว่าสวยว่า ง, งามให้ได้ให้มาเห็นว่าเป็นก้อนอสุภกรรมฐานคล้ายกับว่าเราเดินไปเห็นคนเขาถ่ายกองอสุภไว้ข้างทางคือบางคนเขาไม่ไปไกลถ้าเราเห็นว่าเราเป็นอสุภคือว่าไม่งามแท้จริงมันไปจากคนเราตัวเราด้วยเมื่อถ่ายออกไปแล้วก็ว่าเป็นปฏิกูล กินท้องเราว่าเป็นของดิบของดีเพราะว่าไม่ปิจารณาถ้าพิจารณาแล้วมันเต็นไปนด้วยก่อนอสุภะที่วัดป่าเหล่างานี่เองที่ภิกษุสิงห์พุทธาจารยรได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมอย่างใกล้ชิดกับท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมเป็นเวลานานสมถึงสี่ปีท่านได้มีโอกาส มากคุนกับพระกรรมฐานองค์สำคัญสำคัญหลายองค์เช่นลุงปุถเทศเทศดังสีลุงปูกขาวอนาลโยลุงปูกฟันอาจารโรลุงปูกอ่อนอยานสิริท่านพลีธรรมทโรท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปัโนและพระอาจารย์กว่าสุมโนเป็นต้น อั น, นิสงส์แห่งทานอันบริสุทธิ์ปีพุทธศักราช2477หลวงปู่ได้ไปจากรรษาที่วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาช่วงนี้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศนั่นก็คือกรณี กระ บ, บอกบวรเดชส่งผลให้บริวารของพระองค์เจ้าบาวรเดชถูกจกับกุมทั่วประเทศลวงปู่ล่าวา่าคุณหลวงโยกอุปถัมภ์คนสำคัญซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ถวายให้สร้างวัดป่าสารวันขึ้นนั้นก็ถูกรวบตัวหลังจากวันทอดกฐินนั่นเองให้ถูกทำตัวไป คุมขังไว้ที่กุกบางขวางเมื่อลุงปู่ลงไปกรุงเทพก็ได้แวะเยี่ยมให้กำลังใจพอไปเห็นนักโทษในห้องขังแล้วก็ได้ปรงธรรมะสังเวชลุงปู่เล่าว่าตอนนั้นนึกถึงพวกที่ชอบเอานกมาใส่กรงขังเลี้ยงไว้จริงๆเขาขังนักโทษไว้ในช่องเล็กๆมองแล้วเหมือนนกในกรงไม่มีปิดเลย หลายปีต่อมาลุงปู่ได้กลับไปพักที่วัดป่าสารวันอีกครั้งหนึ่งในฤดูแลง้งครั้งนี้มีเหตุการณ์ที่ลุงปู่เล่าว่าทาให้ท่านได้เห็นอนิสงของการให้ทานทันตาจริงๆเรื่องก็มีว่าคราวหนึ่งท่านพระอาจารย์มหาปิน่นปัญญาพโลมีกิจนิมนไปจังหวัดอุบลราชธานีโดยทางรถไฟ หลังจากนั้นเกิดมีแผงสิบบาทปลอมสืบสาวหากับใครไม่ได้ก็เลยมาทวงถามกับโยมอุปถากของท่านอาจารย์โยมอุปถากของท่านอาจารย์ก็ว่าถ้าเป็นของท่านอาจารย์จริงทำไมไม่ทักทวงเสียตั้งแต่ตอนนั้นแต่นี่จับใครไม่ได้ก็มาโทษท่านอาจารย์อย่างนี้ไม่ถูกต้องบรรดายาตโยมของท่านพระอาจารย์มหาปิ่น ก็ไม่ยอมรับผิดชอบเจ้าหน้าที่เก็บเงินรถไฟคันนั้นก็เป็นทุกข์เป็นร้อนมากจึงได้ไปปรารบให้ลูกปู่สิมฟังว่าถ้าไม่ได้เงินสิบบาทคืนให้หลวงก็จะต้องถูกไล่ออกจากราชการลูกเมียก็จะพลอยลำบากหลวงปู่ได้ฟังก็เกิดจิตเมตตาคิดจะช่วยเหลือแต่ท่านเองไม่มีเงินพอจึงให้ลูกจิตวัด ไปรวบรวมเงินพระเนรวัดป่าสารวันหมดทั้งวัดได้เพียงสี่บาทเท่านั้นยังขาดอยู่อีกหกบาทหลวงปู่จึงได้ออกปากขอยืมเงินหกบาทจากคุณนายผู้มีอันจีนท่านหนึ่งได้เงินครบแล้วก็มอบให้เจ้าหน้าที่รถไฟคนนั้นเขาดีอกดีใจเหลือเกินมีอาการเหมือนได้ยกภูกเขาออกจากอกเลยหลังจากนั้นไม่นานอ น, นิสง ก็ส่งผลให้ท่านได้รับ ก, กิจนิมนต์ไปสวดบ้างไปเทศบ้างไม่เท่าไหร่ก็ได้เงินมากกว่าสิบบาทเรื่องของการให้ทานนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่หลวงปู่สอนละเอียดละอ่อทานที่หลวงปู่ย้ำเสมอคืออภัยทานท่านบอกว่าคนเราจะอยู่ด้วยกันได้อย่างนานที่สุดก็ไม่เกินร้อยปีหรอกเพราะฉะนั้น อย่าไปกดแค้นอาฆาจองเวรคิดเบียดเบียนหรือทำร้ายกันเลยให้อภัยเถอะยังไงเขาก็จะต้องตายเองอยู่แล้วเราไม่ต้องไปลงมือหรอกตัวเราเองก็จะต้องตายเองด้วยเหมือนกันนั่นแหละแม้กระทั่งจักดดรานานที่ตัวเล็กกว่ายุงเช่นปริ้นไรรยและลอด หลวงปู่ก็ยังสอนให้พวกเราให้ทานตัวลอดที่หน้าตาเป็นอย่างไรก็ไม่รู้หลวงปู่บอกว่าตัวมันเล็กจนลอดรูปภาเข้าไปกัดเราได้นั่นแหละดันั้นท่านประยกย่องว่าการที่เราให้ทานน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเราแก่พวกนี้เป็นทานบริสุทธิ์ด้วยทานนางเมย์บริสุทธิังนิพพานนางปรมังสุขัง นั่นทีเดียวเวลาเรากินสัตว์อื่นเรากินทั้งเนื้อหนังตับไตไส้พุงแม้กระทั่งกระดูกแต่พวกนี้กินเราก็แค่มาดูด น, น้ำเลือดน้ำเหลืองเลือดเนื้อเชื้อไข ใ, ในตัวของเราได้มาจากพ่อแม่ไม่ได้ไปซื้อไปหามาจากที่ไหนรอให้เขากัดไปเถอะตั้งใจให้เป็นทานไป เป็นทานละเอียดบริสุทธิ์นอกจากให้ทาเป็นทานอันเป็นกิ จ, จวัตรประจำวันแล้วมีวัตถุทานอะไรที่พอจะให้ได้ล้วง ป, ปู่เป็นแจกไม่อั้นไม่ว่าจะเป็นเหนรียญปลุกเศษผ้าพุทโธ ร, รูปถ่ายหรืออื่นๆก็ด้วยเมตตาไม่มีประมาณคนลวงปู่นั่นเองทำให้ท่านไม่ค่อยขัดใจใครถ้าเป็นคำขอ ที่ไม่ผิดกาลเทศะหลวงปู่มักจกนุ่นลมให้เสมอโดยเฉพาะผู้ที่กำลังมีทุกข์แต่ไม่ว่ า, าจะแจกอะไรก็ตามหลวงปู่จะกําชับให้ภาวนาพุทโธโดยทุกครั้งครั้งหนึ่งระหว่างพรรษาคุณหมอคนหนึ่งจากกรุงเทพขึ้นไปกราบนมสัส ก, การหลวงปู่ที่ทํำผาปรองและได้เอ่ยปากขอเทพระธรรมเทศนา ้องปู่ตอบว่าไม่มีแล้วทั้งเทปทั้งหนังสือทำมาเท่าไร่เท่าไหร่ก็ไม่พอคนยังเหลือแต่พุโทโธเอาไหมแจกเท่าไรเท่าไหร่ก็ไม่หมดของแจดอีกอย่างหนึ่งที่คนชอบลมปากของ้องปู่นั่นเองจนน่ากลัวว่าจะหมดลงในเร็ววันใครไปใครมาให้ว่าผูหญิง ผู้ชายมักจะชอบขอให้หลวง ป, ปู่เป่าหัวให้โดยเฉพาะญาติโยมผู้ชายซึ่งมักจะได้สิทธิพิเศษเหนือโยมผู้หญิงนอกจากเป่าให้แล้วหลวง ป, ปู่มักจะลูปหัวลูปหูแถมให้ด้วยซึ่งเจ้าตัวก็จะปลื้มใจเป็นหนักหนาครั้งหนึ่งหลวง ป, ปู่ไปเที่ที่สนามหลวงขณะที่กำลังนั่งพักผ่อน ก็มีญาติโยมเข้าไปขอให้ลุงปู่เป่าหัวให้สองถึงสมรายลุงปู่ก็อนุเคราะห์เป่าให้แล้วแล้วไปแต่พอมีรายต่อไปไหลาตามกันเข้ามาท่านก็เลยรีบถวงขึ้นว่าเอา้าเอา้าเพิ่นมะเทศเบเนอะไม่ใช่มาเป่าหัวนั่นแหละกระแสะคลื่นจึงหลายกลับมุ่งหน้า สู่กรุงเทพปีพุทธศักราช2479พรรษาที่8เมื่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสแห่งวัดบ ร, รมนิวาสกรุงเทพได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนพระอาจารย์สิงห์กันทยาคโมที่วัดจักราพระท่านสมเด็จ ก, กับคลูบาอาจารย์ชยัยทุกปูมั่น ฤทธโตนี้มีความรู้จักคุ้นเคยกันมากกับบางคราวท่านได้ไปฝปึกอบรมพระกรรมฐานจากหลวงปู่มั่นบ้างจากพระอาจารย์สิงห์บ้างและพระอาจารย์สิงห์จะเป็นสธิวิหาริกในสมเด็จเนื่องด้วยสมเด็จเคยเป็นอุปชาให้แต่มาภายหลังสมเด็จท่านก็ยอมรับในข้อวัดปฏิบัติของท่านพระอาจารย์สิงห์รวมทั้ง พระกรรมฐานทั้งหลายอีกด้วยในระหว่างที่สมเด็จกับท่านพระอาจารย์สิงห์พบกันและได้ปฏิสันทารกันอยู่นั้นสมเด็จท่านก็ละเห็นจริยานุวัตรของหลวงปู่สิมขณะทํำหน้าที่อุปถามภรับใช้และเกิดชื่นชอบถูกอกถูกใจขึ้นมาถึงกับปรารถนาจะชวนให้หลวงปู่ไปอยู่ด้วยกับท่าน จึงเอ่ยปากขอหลวงปูส่สิมกับท่านพระอาจารย์สิงห์ว่าพระองค์นี้มีลักษณะเป็นผู้มีบุญบารมีผมจะขอตัวให้ไปอยู่ด้วยจะขัดข้องหรือเปล่าเมื่อพระอาจารย์สิงห์ได้ยินดังนั้นท่านก็ไม่ได้ขัดข้องด้วยเห็นเป็นวาสนาบารมีของหลวงปูส่สิมที่จะได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับพระเถระผู้ใหญ่ อย่างท่านสมเด็จนี้ทั้งจากได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินยัยให้ลึกซึงยิ่งขึ้นไปท่านจึงตกลงตามที่สมเด็จบัญชาวไว้ทุกประการดังนั้นวันเดินทางกลับกรุงเทพหลวงปู่สิมพุทธาจารโรจึงได้ร่วมเดินทางมากับสมเด็จที่วัดบรมนิวาสมาจำพรรษา ได้ศึกษาพระธรรมวินัยในสำนักสมเด็จตั้งแต่บัดนั้นทำให้หลวงปู่สิมได้รับความรู้แบบฉาญในพระธรรมวินัยมากขึ้นหลวงปู่สิมอยู่รับใช้กับสมเด็จด้วยจริยาดีเยี่ยมพร้อมกันนั้นหลวงปู่ได้ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนการปฏิบัติธรรมตามแนวทางพระธุดงกรรมาฐานโดยสมเด็จ โปรดให้ปลูกกุติกรรมฐานรอบกำแพงโบสถ์เพื่อเป็นที่พักของพระเนรจำนวยมากที่มารับการสุดผลอบรมจากหลวงปู่องค์ท่านเองก็โปรดที่จะมานั่งภาวนาใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างโบสถ์ซึ่งเป็นที่ร่มรื่นเสมอโอกาสเช่นนี้ที่หลวงปู่ได้ถวายคำแนะนำในการปฏิบัติครั้งหนึ่ง มีการรับสั่งถามหลวงปู่ว่าที่พูดกันว่าในชานนั้นชานี้คำว่าชานีหมายถึงอะไรเห็นว่ามีตั้งหลายอย่างมีวิตกวิจารอะไรต่ออะไรมันเป็นยังไรหลวงปู่ถวายคำอธิบายว่าอยู่หลายญาติโยมเขาสร้างบ้านเรือนสร้างกุฏิให้พระอยู่อาศัย พอขึ้นบันไดบ้านมาก็จะถึงฌานก่อนแล้วจึงไปถึงที่นอนอ๋ออ๋อรู้แล้วสมเด็จทรงเข้าใจในทันทีมันเป็นที่พักผ่อนชั่วคราวเอง น, นะยังไม่ใช่ที่หลับที่นอนจริงๆเรื่องฌานนี้หลวงปู่มีเกร็ดฝอยเกี่ยวกับหลวงปู่ตื้อล่างหูฝังว่าหลวงปู่ตื้อ ท่านเคยเข้าชาปไปดูศพพระมหากัส ป, ปเทระเช่งตามตำนานมีว่ายังคงเก็บรักษาไว้แทบภูเขาอิมาลัยคือก่อนที่จะเข้าสู่นิพพานพระมหากัส ป, ปะเทระท่านได้อธิษฐานให้ภูเขาปิดล้อมศพเอาไว้สามด้านรอเวลาพระศีอริยะมาตัดรูแล้วจะได้มาเผาศพของท่าน บนฝ่ามือของพระศรีอริยะเนื่องจากมีบุพกรรมต่อกันเพื่อนมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระมหากัะสปะเทระท่านมีชาติกเนิดเป็นช้างแจ่มรู้ของจักรพรรดิคือพระศรีอริยะนั่นเองวันหนึ่งพระจักรพรรดส่งช้างเด็จออกประาพาสป่าช้างหนุ่มกระสปะพอเห็นช้างสาว ก็วิ่งเข้าหาทันทีตาปราษาวิ่งให้วิ่งเฉยเฉยสะบัดเอาพระจักรพรรดิตกจากหลังไปด้วยเลยถูกทำโทษให้อาองวงจับเหล็กเผาไฟจนตายจึงมีเวรกรรมต่อกันตั้งแต่ครั้งกระโน้นจนเดี๋ยวนี้ศพของพระมหากระสปฐเถระก็ยังรอพระศรีอริยะอยู่เมื่อลุงปู่ตือ เข้าชาญไปดูทึงที่เนปานโนนต้องไปถึงสองครั้งเพราะไปครั้งแรกประตูไม่เปิดในห้องหรือภูเขาที่เก็บศพนั้นมีแสงสว่างเรืองรองแต่ไม่ยักจะมีดวงไฟสัดดวงเล่ามาถึงตรงนี้ลวงปู่ก็กระซาค่นฟังว่าใครอยากพิสูจน์ให้เห็นจริงก็เริงภาวนาเอาให้ได้ ให้ถึงภาวนาเองเห็นเองฟังคนอื่นเล่ามันก็ไม่สิ้นสงสัยอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่เล้วตำนานเกี่ยวกับพระพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาที่ดาวดึงเทวโลกเพื่อโปรดพระพุทธมารดาพร้อมกับแถมท้ายว่าสหรัฐ รัเสเซียเขาไปโลกพระจันทร์ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะต้องพบอากาศไปหายใจอาหารก็ต้องเตรียมใส่หลอดพอหิวจะได้ดิบใส่ปากเลยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวลอยหนีไปหมดเดินอยู่บนพระจันทร์ก็เหมือนกบเต้นเพราะในอวากาศอะไรอะไรมันก็เบาพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ดาววันดึงสูง ถึงอวกาศเหมือนกันถังออกซิเจนก็ไม่ได้ออกไปไม่รู้ท่านหายใจอย่างไรจำพรรษาอยู่ตั้งสามเดือนได้ไปบินธบา ท, ที่ไหนบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้วิชาการทางโลกเขาก็เก่งอยู่เหมือนกันคิดค้นทำอะไรอะไรได้ตั้งหลายอย่างยิงจรวดออกไปนอกโลกก็ได้แต่ก็ยังไว้ใจบ่ได้เดี๋ยวก็ จะหลดระเบิดบ้างเรือบินตกบ้างเราทุกสิทธิพระพุทธเจ้าก็ควรที่จะคลว้าวิชาของเราเอาให้ได้ให้ถึงเหมือนกันมีวิชาภายในแล้วไปเที่ยวรอบโลกได้หลายรอบไปฟรีด้วยไม่ต้องกลัวเรือบินตกกลับสู่บ้านเกิดปีพุทธศักราช2480ออกภาษาแล้ว หลวงปู่เดินทางจากวัดบรมนิวาสทุดงรื่มมาจนถึงบ้านบัวตำบลสว่างอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนกครเพื่อโปรดญาติโยมที่บ้านเกิดตามคำอธิรันานหลวงปู่กลับบ้านเกิดอย่างพระเถระผู้รุ่งเรืองด้วยบา ร, รมีธรรมสมควรกับการปฏิบัติเพราะนับจากบรรพชาแล้ว ท่านก็ได้ผ่านช่วงของการฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเข้มข้นตามปฏิปทาทางดำเนินของพระธุดงค์กรรมฐานอย่างแท้จริงเป็นเวลา11ปีเต็มเนื่องจากท่านเป็นผู้มีวาสนาบารมีได้รับการอบรมโดยตรงจากท่านพระอาจารย์มั่นและสิทธิชั้นผู้ใหญ่ของท่านเช่นท่านพระอาจารย์สิงห์ และท่านพระอาจารย์มหาปิ่นเป็นต้นเพราะเหตุที่มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดทั้งหยุดจำภาษาและร่วมขบวนทุดงกับท่านพระอาจารย์ไปในสภาพแวดล้อมต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ยากไร้รัรกันดานนับแต่ภาษาแรกของการบรรพชาเรื่อยมาซึ่งนับว่าหาได้ยากทำให้ลุงปู่มีประสบการณ์ที่จะช่วยส่งเสริมบารมีธรรม ส่วนตัวของท่านให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นจึงไม่น่าประหลาดที่ชาวบ้านบัวและบ้านใกล้เคียงจะมีความเคารพเลื่อมใสแห่กันมาทาบุญกุศลและฟังพระธรรมเทศนารับการอบรมปฏิบัติสมาธิภาวนาจากลุงปู่อย่างมากมายและเมื่อลุงปู่ปารกที่จะให้มีวัดป่าธรรมยุทธ์นีกขึ้น เป็นเวันแรกในบ้านบัวญาติโยมซึ่งมีความตื่นตัวเต็มที่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระทุดงกรรมฐานจึงต่างสนองตอบคำปารกคนปู่อย่างกระตือรือร้นและเต็มอกเต็มใจโยมอาของท่านคือนางคำไพยทุ่มกิจจได้มีศรัทธา ถวายที่ดินให้หลวงปู่จะสร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นในปีพุทธศักราช2480นี่เองหลวงปู่ดินด้จากปรรษาที่บ้านบัวนี้น่าเป็นภรรษาที่เก้านอกจากเพื่อเป็นกำลังใจในการก่อสร้างเสนาสะนะสำหรับสำนักสงฆ์แห่งใหม่แล้วท่านยังได้ช่วยในการดูรณะวัดเดิมทั้งสองวัดคือ วัดสระพังหินหรือวัดศรีรัตนารามและวัดสระพังทองซึ่งเป็นวัดมหานิกายทั้งสองวัดของบ้านบัวอีกด้วยสำหรับสำนักสงฆ์ที่หลวงปู่จัดตั้งขึ้นนั้นปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นวัดสันติสังขารามพร้อมด้วยวัดและสำนักสงฆ์สาขาอีก9ก้าแห่งตามลำดับดังนี้หนึ่ง วัดมะหัวเมยบ้านมะหัวเมยสองสำนักสงฆ์เวลุวันสันติวรยาน 3. สาสำนักสงฆ์สันติวราราม 4. สี่สำนักสงฆ์สันติวนารามห้าสำนักสงฆ์บ้านพ่อใหญ่6กสำนักสงฆ์บ้านสว่าง7จ็ดสำนักสงฆ์บ้านตาลอำเภอนาว่า แปดสำนักสงฆ์นยญชี 9. าวัดคำประมงบ้านคำประมงตัวหลวงปู่เองนั้นเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษอย่างยิ่งใช้ชีวิตนักบวชยิ่งท่านผู้ประพฤติชอบทั้งหลายการกอ่อการสร้างต่างๆในส่วนที่เกินเลยออกไปเป็นแต่กระวา ة ญาติโยมพากันจัดการทั้งสิ้นท่านมานิยม การสั่งสมทรัพย์สมบัติใดๆหากมีล่ากเกิดขึ้นท่านเป็นต้องแจกจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วฝากชีวิตไว้กับบาทที่เป็นเสมือนมรดกที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เมื่อครั้งญาติพี่น้องของท่านได้หมุนท่านไปที่บ้านเกิดเพื่อรับส่วนแบ่งมรดกที่ดินหลวงปู่ก็บอกกับพี่น้องของท่านว่านาที่เป็นบารกกัน แบ่งกันเองเถอะเราเอานาทุ่งนี้ ท, ศาศาศาศาทุ่งภาษาอิสานแปลว่าทุ่งแล้วท่านก็ชีปฏิบัติของท่านเรื่องนี้ถ้าได้พิจารณาคำตอบของท่านพ่อหลีธรรมะพะโรอดีตเจ้าอาวาสวัดอโศการามก็จะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นท่านว่าบาดนี้เป็นเหมือนดังที่นาอันเยี่ยมพระพิกษุ ไม่ต้องไปเพาะปลูกที่ไหนดอกเพียงเอาแต่เพาะปลูกให้บาทนี้เท่านั้นก็พอจะปลูกเงาะก็ได้ปลูกทุเรียนก็ได้สารพัดที่จะปลูกลงไปหมายความว่าพินธบาทเอากับชาวบ้านเรียกว่าเป็นการเพราะปลูกทางอ้อมยินงจะได้ฝึกฝนอบรมตนเองเป็นเนื้อนาบุญที่เลือดด้แล้วก็มักมีอนิสงส์ให้ได้เพาะปลูกพืชผล ทำประนีตอย่างเลื้อประมาณ